กับคารวะพะยยระร ะ, ระตนาใยหรือพระพุทธพระธรรมพระสงกกับขออนุมัติการหลวงพ่อหลวเพียอนผู้เป็นประธานหพ่อครูบาอาจารย์นลวงพี่ทุกทุกท่านไอเรือนพรม่ชีมีไหม อบาจุกอบาจิกาทุ ก, ท, ก, ท, กทุกคนทุ ก, ท, กทุกท่านน้องพ่อได้ไปตามสายงานไม่ได้พอยได้มาเพราะงานยังไม่เสร็จก็ยังไม่เสร็จเราลองพ่อไปแล้วก็ท่านอย่างให้กลับมาแล้วก็เลยกลับมาตามท่านแล้ว รู้สึกว่าดีมากเลยไปทําสายงานบ้านไหนบ้านไหนปีนี้รู้สึกว่าคนไปมาก <c oughs> เต็มวัดเลยที่บ้านนครบุรีก็ประมาณจากสองร้อยกว่าตลอดยังคนยังไม่นิดนัน่นใลนยงแน่นหนาอยู่เหมือนเดิมเลย ถ้าเป็นอย่างนี้ก็พระพุทธศาสนานี่ก็ค่อยจ ะ, จะเจริญนงอกงามขึ้นเรื่อยๆทุกนั่นแหละไปทุกแห่งก็เหมือนกันบ้านอาจารย์มหาไหลก็ร้ายอาจารย์ตงตงศิลป์ก็ร้ายมีแต่มีเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไปที่สุดอาจารย์ตูบินบ้านปูดินก็ดีหลวงพ่อ บุญถมก็หลายเยอะแยะในคนพอผ่านก็ดีเหมือนกันมีคนเอาใจแต่ในธรรมะหลายแล้วเนี่ยแล้วก็เขาตั้งอกตั้งใจทำไม่ได้เหมือนเดิมไม่ให้มีกลุ่มใครกลุ่มนั้นกลุ่นนี้ไม่มีไม่ไม่ได้จัดกลุ่ม เพราะว่าเรามีแต่คนรู้ถึกภาษากันแล้วก็พูดกันรู้จักเรื่องตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็ต่างคนต่างทำอยู่ตลอดวันเลยไม่ได้ไปบังคับอยากเอเพียงแต่ดูแลพาเขาทำนี่นแหละพอเห็นพวกหลวงพ่อไปทำํำนี่เขาก็มีกําลังใจเขาก็ทําแข่งกับหลวงพ่ออยู่ตลอดวันเลย มันอยู attack, animal, proof, we we? We ่กับการปฏิบัติเราเนี่ยถ้าไม่ลังเกียจเนี่ยถ้าไม่ขี้เกียจที่ข้านเนี่ยคนที่ไม่รู้นี่ไม่น้อยไม่รู้เว่ามีน้อยเต็มทีมันอยู่กับใจของเราเนี่ยไม่ว่าทําอะไรทุกอย่างเนี่ยคนเรานี่ทุกเพราะเหตุใดทุกเพราะความขี้เกียจที่ข้านควยมันขยันมันเพียนในธุระจิตธุระของเราเนี่ยไม่ว่าทําการงัดทํางานอยู่ที่ไหนที่บ้านก็เหมือนกัน มาทำวัดทำวาอยู่กับวัดกับวาเนี่กคนเหมือนกันคนไหนที่มีความทุกข์เนี่ยคือคนขี้เกียจทำลายตัวเองทำโทษตัวเองจิตใจทำไม่จิตใจเราเศร้าหมองอ่อนแอไม่มีกำลังไม่มีความเพียรให้ดูเอาดูใครตัวใครตัวมันเนี่ยไม่มีใครทำให้เราเราทำเองใครทำให้ไม่ได้ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างรู้คนไหนทำก็เข้าใจถ้าคนไหนไม่ทำก็ไม่เข้าใจน่นั่นแหลพะพวกชาวพุทธของเราเนี่ยให้ทําอย่างนี้จึงจะเป็นชาวพุทธได้ถ้าไม่ทําแบบนี้จะเป็นชาวพุทธไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาเนี่ยหลงมาตลอดไม่รู้จัก ไม่รู้จากอะไรทำไปตามยถ า, ากรรมตามทันทีว่าอะไรทําเป็เราก็ทำไปเรื่อยๆไปไม่รู้อะไรผิดไม่รู้อะไรผิดไม่ถูกของจริงในที่มันถูกใจเราก็ว่ามันดีจริงในมันไม่ถูกใจเราถึงมินดีแล้วก็ว่ามันไม่ดีอยู่กับความอยู่กับอยู่กับชีวิตจิตใจของเราเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเห็นผิดเป็นถูกเห็นสูกเป็นทุก มันมันจะเป็นอยู่นั้นมาตลอดหลงมาตลอดตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่มารู้สิ่งนี้เราจะเป็นคนหลง่ตลอดเวลาถ้าห ล, ลงไปตลอดเวลานี้มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นก็เป็นแต่ความทุกข์อ่ะเนี่ยเกิดขึ้นกั บ, กบเราเนี่ยออกนอกไปตะพื้นตะื้ไปทำตามยถากรรมตัวไปเองเองจนกลายเป็นความเคยชินจะทำอะไรก็ไม่ ชอบติ่งคือติ่งที่เราทาแล้วไม่ก็พาหลงไปนั่นแหละเป็นความเคยชินได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยให้คิดดูดีไม่มีคนจะมาทําโทษให้เราความจะทุกข์จะยากจะลําบากจะลําจะรวยหรือจะทุกข์จะจนเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวเราเองออย่าไปถัดปัตตนาอ้อนวอนให้ทิ่งนั้นมาช่วยเทิ่งนี้มาช่วยอย่าไปเอาความหวังไว้กับทิ่ง ตัวข้องไขตัวข้องมันอดี๋ยวคิดว่าเอาความหวังไว้กับสิ่งนั้นเอาจะความหวังไว้กับสิ่งนี้อยากจะให้คนนั้นมาช่วยอยากให้นี่คนไม่ช่วยไม่ได้แบบนั้นนะทุกข์ยึดตลอดตายเนี่ยไม่มีใครจะมาทําโทษเราหรอกเราทําโทษตัวเองเพราะว่าเราอย็กได้ดีเนี่ยเราก็ต้องให้มาทําในเวลาเรียวเกิดมาเป็นคนในชาติเนี่ยชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ย ให้ทําให้ได้ของดีนะเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาเองเป็นผีนี่ก็เขาเรียกว่าผีว่าผีนี่ก็ไม่มีใครมาสร้างขึ้นให้มามีแต่เราขึ้นสร้างคนอย่างเราสร้างขึ้นคนเดียวเป็นเปรเป็นมารเป็นสัตว์นรกเป็นอัตุลกายเราสร้างขึ้นเองเราเกิดมานี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาหาอยู่หายจินเฉยเฉยคือเราเกิดมาสร้างในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เรียนรู้แล้วเราก็จะ ไปทําอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีคนมาตอนว่าหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นนี่เราก็มีแตะโกดไปไม่ไม่ค่อยได้มันยเยอะแยกไขตัวเองนี่มันก็ทุกันนะมันก็เกิดทุกข์กับเรากรรมมันก็เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ยแสนดีที่สุดเลยถ้าไ ม, ม่มีบุญมีวัตนาบรารมีไม่ได้เกิดมาเป็นคนจะเกิดมาเป็นสัตว์ได้ฉันเป็นสัตว์ทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นเคยเกิด เวียนว่ายแต่เกิดอยู่ทุกวันเนี่ยมันมันจะเป็นอยู่นั่นอย่างเราอยู่ตอนนี้หน้าตาจิตใจของเราเนี่ยยังเป็นคนอยู่นะยังไม่เป็นนี่ยังไม่เป็นมนุษย์ดอกแต่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยก็น้าตาเป็นมนุษย์เฉยแต่ว่าที่ใจมันไม่เป็นให้มันยังไปอยู่เป็นสัตว์เลื้อยชันเป็นสัตว์นลกเป็นเป็ดเป็นอสูรกายมันจะวนเวียนว่ายอยู่นี้ตลอดทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน เราไม่เห็นตัวเองเราก็ไม่รู้เราก็เพิดเพลินไปกับมันเพื่อเะพือไปเรื่อยๆไปเนี่ยวันนี้เราจะมาเนี่ยเราจะมาหัดความคปนคนเนี่ยความนคนเป็นคนนี่เอ่อเป็นคนนี่มันยังไม่เป็นมนุษย์เนี่ยคือจิตใจของเราเน่มันยังตำํามอยู่ยังมีโลกมีโกรธมีหลงอยู่ยังมีตลอดไปก็คือนอนฝันกันวันนั่งคิด ชิงหาสร้างพบสร้างชาตินะตัวเองอยู่นั่นเนี่ยมันไม่เกิดจากไหนเราเกิดจากชีวิตจิตใจของเราพอเรามาดูกายของเราเนี่ยให้มันเข้าใจดูกายให้เห็นกายดูใจให้เห็นใจเนี่ยมันเราก็มีอยู่อยงนี้แหละใครก็รู้ว่าจะว่ากายก็ใจนะรู้าตามความจำเลยจะเฉ ย, เยแต่ว่าทวนชีวิจิตใจของเรามันเป็นนั่นมันเป็ น, ป น, ปนไม่ได้ มันยังเป็นยังมีโกรธมันโลกไปหลงมีเอาตัดเปรียบกันอยู่ตลอดเวลาไม่ลดหย่อนพ่อนผันให้กันเลยอืมมันมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉันน้นเกิดเป็นคนมาเนี่ยที่แยกใจะมาแยกสัตว์จําพวกที่มันที่มันเราไปควอมอยู่ทุกวันเนี่ยพวกคนเนี่ยให้มันเป็นมนุษย์เนี่ยคือเราจะละถิงนั้น สิ่งที่เป็นสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์เจ้าชานนี่คือเขาไม่มีนี่คนอะไรแก่ใจเนี่ยจะทําอะไรก็ทำอยากว่าอะไรก็ว่าอยากสร้างทําอะไรก็ไปต า, ามเจ้าถากทำตัวเองเลยทั้งละผิดทั้งถูกขอสิ่งในที่มันถูกใจตัวเองก็มันถูกก็ทําไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นอ่ะมีคนไม่บอกมีก็ไม่ไม่ฟังแหะโกรธเนี่ยสัตเป็นสัตว์เจ้าชานนี่ก็ มันได้เป็นถ้าแป็นตัดใจศึกษาเนี่ยมันได้เป็นได้ทุกอย่างแหละผีนั่นก็คือความความชั่วของเราเนี่ยแหละพวกเป็นผีเนี่ยเรามาสร้างขึ้นเองอ่ะเนี่ยมาทํำแบบนี้เนี่ยจิตใจงเราเป็นคนจิตใจนี่ยมันคิดไปแบบนั้นแบบนี้สารพัด ท, ทั้งจะมาทั้งรักทั้งชงังทั้งดีทั้งชั่วอยากได้นั้นอยากได้นีอนนน้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้สารพัดดังเนี่ยมันจะเป็น เราไม่รู้จักถอดถอนตัวเองเราก็เป็นผู้เป็นอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวเจรกายเป็นความเคยชินไปเนี่ยมันก็ดูเนี่ยเราสร้างเนี่ยสร้างอะไรคืออยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่เคยได้ทําแบบนั้นแบบนี้มันจะเป็นได้ยังไงแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่ไมไมรู้จักเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกนี่คืออะไรเป็นสัตว์นรกนี่คือคนเห็นแก่ตัวเอาละแต่เปรียบคนนั้นเอาละแอ่เปรียบคนนี้หาอิจฉาคนน่ะหาอิจฉาคนนี้ ทําอะไรมีเต่นแนวอยากแต่พืชเถือไปให้เอารัดเอาเปรียบคนไปอยู่างนั้นแหละทําให้คนนั้นเดือดร้อนทําให้เด่นแล้วคนนี้เดือดร้อนไปอยู่สังคมไหนก็ทําให้สังคมนั้นเดือดร้อนเนี่ยสัตว์ในโลกอ่ะมันจะมีอะไรเราสร้างเงินเองเท่านั้นแหละเราไม่รู้จักว่าเราเป็นอะไรพอมาเห็นแล้วโอ้อันนั้นก็เป็นอย่างนั้นเป็นนี่พวกเปรตก็คือพวกอยากได้นั่นแหละอยากได้อยากดีอยากดังนั่นแหละสารพัด ตั้งแต่มันอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนี้อยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้เห็นเขาได้ก็เกิดเร่าอกเสียใจเกิดอยากยิแย่งกิงเขาตาลพัทต้งจะเป็นไปตาลพัดเปรตนี่เป็นหลายเป็นหลายแท้แท้เนี่ยพวกที่เป็นสัตว์ตัเป็นอตุลกายก็คือพวกที่ขี้เกียจพวกไม่อยากทําการทํางาน มีแต่หาปวกหอกหาเจ็บยาเจ็บติดหากินเหล้าเมา ส, สุราไปมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยใครบอกไม่เอาอ่ะเอาไปเอามาก็มันไม่ได้ก็ถูกตักขโมยที้ปนใครทำอะไรไม่ได้บอกสอนมาได้มันกลัวกลัวคมดีบอกเนี่ยทำไม่ได้เลย แ, ลแต่คำความชัวนะ่วน่ะ มันอยู่ทำทำอยู่ได้ตลอดเวลาเราเห็นหมดทุกอย่างเลยที่เราเกิดขึ้นว่โอ้นี่มันเป็นอันนั้นอันเนี้เป็นเป็นอันนั้นอันนี้แล้วรู้จกักพอรู้จกักเออเราเรเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจกหยุดหยุดเนี่ยหยุดในด น, นี่ละนี่เลยแล้วก็มันก็เป็นมนุษย์ก็เจ็ดใยทุงแล้วบัตเนี่ยไม่เรไม่รัดเอารัดเอาเปรียบใครอืมเกิดมาแล้วก็มีความเมตตาปาณีกันอืมีอะไรลดหย่อนพ้นพัน ไม่ดังเกียดใครของเล็กๆของ น, น้อยๆที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็พยายามให้มันค่อยๆนั่นแต่ของใ ห, ใหญ่ๆค่อยเลี้ยเล็กยงลงของเลี้ยเลี้ยงลงไปอยมันหมดไปเลยสิ่งที่จะเกิดมาอีกก็ไม่ต้องให้มันเกิดขึ้นได้มาดูตัวเองอืคนอื่นเขาว่าติตินนินท้าของเราเนี่ยเขาดูถูกบินประมาทตัวเนี่ยเราอย่าไปโกรธให้เขาให้มันดูเราก่อน ถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเราก็มาแก้ตัวเองแทนที่จะไปเคารพเขาอีกต่ําถ้าเขาไม่บอกแบบนั้นเราก็ไม่รู้จักถิ่งที่มาเกิดขึ้นจากชีวิตจิตใจของเราเห็นอาการถิ่งที่มาเกิดมันเดือดร้อนมันเกิดความโมโหโัวโถ ว, วเกิดขึ้นมานั่นแหละให้เราเข้าใจเป็นอันตรายเราก็รีบ ถอดถอนกดปล่อยละออกไปแล้วไม่ต้องเอาเพียงมันเป็นถึงนทุ่มมุดทุ่มมุดเขาปลูกถุกเนียนทาเขาด่าเขาว่าเขาอะไรกันน่ะหน้าเขาทําจริงอย่างที่เขาว่าเนี่ยเขาก็ซอนเราให้เรามาดูตัวเองมาแจ้ตัวเองเปลี่ยนทันทีเลยไม่ต้องไปทําอีกต่อไปไปขอบคุณกับเขาที่พูดเขาตักเตียนเรานั่นน่ะบางคนเขาก็บอก ได้ข้างไรเหวนไม่ได้เขาก็ว่าแรงๆไปเราก็โกรธที่เขาก็อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็มาเปลี่ยนเราเลยถ้ามันเป็นอย่างที่นี่เขาว่าเราแต่เราเขาเาไม่เป็นเหมือนเขาว่าก็จะไปเถียงเขาธรรมดามันไม่ใช่หรอกตัวดีอยู่แล้วต้องทำความดีให้เขาเห็นเรื่อยๆไปอย่าไปรังเกียจกันความรังเกียจนั่นแหละทําโทษตัวเอง ไม่มีใครทําให้เราหรอกจริงที่เขาที่ว่าเรานะี่ะถ้าเราไปว่าเขาตอบก็ไปเท่าเท่ากไปเทียงเอาของของที่ไม่ดีนั่นแหละกับเขานะ่ะคนที่เขาว่าเขาเรานะ่ะถ้าไม่ใช่อย่างที่จ้าเจ้าเขาว่าหนะ้ากากก็เอาหุตีให้เขาไปซะไม่ต้องไปพูดฟังไปเขาว่าไปมันเป็นสมมุติไม่สมมุติขึ้นมาจะเฉยมันไม่จอดเป็นของจริงหรอก มันเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นน่แหละธรรมชาติทิงทุกอย่างเนี่ยเราทุกเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติอะไรกเราใช้มันเป็นไม่ก็ความเดือดร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากับเราให้มาแก้ตัวเราไม่มีใครจะเห็นคนคนเราเท่าตอยเห็นเจ้าของเองใครว่าอะไร เกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ดูเราเป็นผู้เป็นไปเลยอย่างเนี้ยมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่มันมันเป็นอยู่นั่นความคิดความปรุงแต่งเรายังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดมันก็เป็นอยู่นั้นน่ะจนกลายความเป็นเคยเป็นความเคยกินไปบัด น, นี้เราเห็นแล้วเราจะไม่เป็นเราจะว่ามันมันรู้จากถอดจากถอนจากปวดจากปอยจากรละจากวางไป พ่อเกิดมาในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเด็ดทั้งแท้แน่นอนไม่มีทิ้งที่แน่นอนเป็นโลกที่สมมุติเรามาอาศัยสมมติเนี่ยอย่าไปติดมันอืเราเพื่อเพื่อปฏิบัติเนี่ก็มันจะเกิดมิดอะไรเกิดขึ้นมานะก่ะมันเป็นของที่ไม่จริงหรอกตรงนีมิดอะไรเกิดขึ้นอยู่กับชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเลยกับตาหูจมูกลื่นกายใจ เนี่ยเราก็อย่าไปเคียมันเนี่ยเราปฏิบัตินี่ก็มันไปติดนิมิตนี่พวกหนึ่งเขาบอกไปติดตมมุดนี่อีกอันหนึง่งเราไม่รู้อยากถอดแต่ถอนมีแต่ไปติดอยู่นั่นแหละดีก็ไปติดชั่วก็ไปติดเนี่ยเขาเราียกว่าทำลายธรรมชาติสิ่งที่มาเกิอดอยู่กับใจของเราเนี่ย มันเปลนอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาเปิดพติปฏิบัติเนี่ยให้เรารู้กายกับใจของเราสองอย่างเทงนั้นมันทุกทุกอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละอันอื่นมีเครื่องประกอบมันนะคือเราไม่ได้เข้าใจมันรู้ตามความจริงไม่ได้มันก็เลยตีโพยตีภายไปเรื่อยๆไปสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเข้าใจ เข้าใจเราให้เราดูเฉยเฉยให้ลูกเฉยเดีเราก็ลู้จัาชั่วเราก็รู้จักอันผิดเราก็รู้จักอันถูกเราก็รู้จักรู้แล้วก็ให้ลูเ้เฉยให้เป็นทางผ่านให้หมดแต่ก่อนเราไม่เคยได้มาฝึกไม่ได้มาหัดเราเป็นผู้เป็นตาเห็นลูกหูกได้ยินเตียงจกหมกไกูได้ลดกลิ่นลิ้นได้รสกายตั้มปวดผัดเย็นร้อนอ่อนแข็ง เราเป็นกับเผาไปหมดเลยเราไม่ได้ไม่ได้ดูเห็นตามความจริงเลยมันดีมันก็ขนาดที่เราเห็นนั่นนหละมันชั่วก็ขนาดเที่ยวเห็นนั่นแหละเราเห็นแล้วเราก็เห็นแล้วอยู่แล้วก็เฉยเฉยเราอย่าเข้าไปอยู่กับทีเ่เรานั่นถ้าเราไปอยู่เมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์มนั้นนั่นแหละถ้าเราไปเป็นอยู่ น, ยนั้นตลอดไปเราก็มีแต่ทุกข์เกิดขึ้น มิตรทุกตั้งอยู่เมตทุกเรื่อดไปไม่มีที่ได้นอนสักอย่างเดียวไอ้ดีมันก็ทุกไปอย่างหนึ่งไอ้ชั่วยมันก็ทุกไปอย่างหนึ่งต้องปู่สั้นว่าเมื่อตีขาวเมื่อตีดำมันจะเป็นอยู่อยงนั้นตลอดไปเพนเรามานี่ก็มาจะขี้เกียจการมาทำ หลงตัวเรื่องตัวหลงกายลืมใจนี่ครับหลไม่เห็นกายเห็นใจของเราเนี่ยมันหลงอยู่ในตลอดจนตายถ้าเรารู้จักแล้วมันจะรู้จักจกลับปฏิปฏิไป่ว่ากลับให้มาดูกลับเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรคือมันดูเห็นความคิด ต, ตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาให้เราเห็นมันดีให้ก็ให้เห็นอมันชั่วก็ให้เห็นเหเห็ น, หนแล้วก็มันก็ไม่เทีงแท้แน่นอนมันก็เป็นอย่างนี้เองจะไปบังคับมันก็ไม่ได้ จะไปบังคับมันเกิดก็ไม่ได้จากไปบบังคับให้มันดับก็ไม่ได้ตัวแล้วแต่มันจะเกิดตัวแล้วแต่มันจะดับอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเรารู้จักแล้วรู้จักปลดจากปล่อยจากละจากวางจิตใจของเราก็มันก็สบายมันก็เบามันก็สะอาดสงบไม่ต้องเป็นไปกังวลทําอะไรทำอะไ ร, ะไรก็ทํำตามหน้าที่ของเรา ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ทำให้มันเสร็จธรรมะนี่ยคือชีวิตคือการคืองานของเราไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์ต้องหากินต้องทําหน้าที่ของเขาจยางว่ายัางควายยังเป็ดอย่างไก่มันก็เลี้ยงลูกของมันจนใหญ่จนโตไม่ใช่ตัวเดียวต้อหลายๆตัวคนเรานี่ออกสองคนนี่ก็น้อยดอก บอกเป็นคนเดียวคนเดียวนี้ก็ยังยึดยังไม่ไวแล้วไปทิ้งหยุดทั้งกระยาดยายแหงอยู่ที่ออกจากหนังสือพิมพ์มามันชั่วกวาสัตย์อีกเอ <c oughs> พวกเรานี่ก็อยากไปเห็นผนเป็นนะเป็นสัตย์อย่างแบบนั้นนะมันจะเป็นอยู่นะถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนี่โอ้เต็มทีเรวเราบันนี้ เราเกิดไมาเนี่ถ้าเราไม่รู้จักถึงนี่นะั่นอ่ะมันจะมันจะ ม, มาทําลายตัวเองนะเกิดมาเนี่ยเรานี่ต้องมาทําให้มันดีเป็นที่เป็นคนเนี่ยนี่แดะที่แยกสัตว์ออกให้มาเป็นเทวดาเอเป็นตัดคนเนี่ยออกมาให้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ก็คือเป็นผู้จิตเจตสูงออกจากผู้จิจตแต่สูงแล้วก็มีฮีรีความาใจใจมีอดตับปะความเย็งตัว อยู่ในตินกินในทำเนี่ยทำมกาก่าทำความชั่วเขาจะมาจ้างเป็นค า, าบราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไ ม, ไม่ถ้าผิดตินผิดทำเราจะไม่ลงมือทำเลยเนี่ยพวกพวกเทวดาไม่ไม่อยู่อื่นไกลเป็นทเทวดาคนอินเป็นพรมเท่านั้นแหละพวกเราถ้า ถึงจะมีจะทำบุญมากมายอะไรเท่าไรก็าตามเราจะวนเวียนว่าวใจเกิดอยู่นี่ตลอดไปอยู่ในภพในชาติของเราอยู่เนี่ยถ้าเราไม่หมัาเข้ามาฝึกกิวิตจิตใจของเรามาทำวิปัตนายอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนเราเนี่ยอันนี้นั่นหมดไม่เป็นถึงแม้เรามีกรรมอีกเราจะเวียนว่าวใจเกิดอยู่เมืากกว่าขึ้นชัยท่านที่ออกจากเป็นตัด ได้ฉันเราก็มาเป็นมนุษย์เป็นแล้วเนี่ยมันค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆไปแต่มีชีวิตมันยังไม่หมดความทุกเนี่ยมีกิเลสอยู่เนะี่ยเราก็ต้องเวียนว่ายไม่เกิดว่านตายเกิดไม่อีกไม่ได้หนีออกไปไหนแต่ว่ามันจะค่อยสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปไม่ได้มาม้นอยู่มันมาอยู่ในกับที่เปด็ดที่ไก่อยู่รดตดำพื้นเด็ดดินเนี่ยมันไม่ได้ดยอยู่นี่ ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็เบาบางไปจิตใจของเราก็มีความเมตตาปา น, นีเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถจะทําผมชัว่วมันจะค่อยเป็นเองอยู่บุญของเราเนี่ยมันจะค่อยค่อยยกขึ้นบรญชุขึ้นชิว ข, ขึ้นเรื่อยๆไปดีกว่าคนที่เขาทํามูลร่อยทําดําบุญมากๆไปมีเวลายอยู่เนี่ยจนตายเนี่ยอันนั้นอ่ะมันควเป็นในเขาเรียกว่าวัตถุ วัตถุเนี่ยมันเอาไปไม่ได้ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ยังรักยังชังยังอิจฉายัยง พ, พยาบาทพยาบาทกันอยู่อันเนี้ยมันมันจะเป็นอยู่นั้นไปนิพพานนี่ก็ไม่ใช่ว่าของจะไปได้ง่ายๆถ้ายังมีกิเลสอยู่ในโลกเนี้ยมันต้องกลับขึ้นมาอยู่นี่แหละไม่ได้หนีไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นให้เราพยายาม ให้ค่อยปลดค่อยปล่อยค่อยละค่อยวางไปสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปถือไปยึดมัน่นถือมัน่นอันนี้ก็คงกูอันนี้กคงขูเกิดคุมหวงหวงความห่วงความใหญ่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยออกมาได้ให้เราเข้าใจแต่ว่าเกิดในเมืองมนุษย์เนี่ยพวกเขาจินทาใ น, นหลายเขามีเหมือนเดิมนะ มีเงินมีทองมีข้าวมีของไม่อดไม่อยากเป็นเทวดาก็ดีก็มีเป็นยินเป็นพรมไปก็มีเป็นอย่างนั้แลไปถึงบุญเรวบุญกรรมแล้วบอกก็จะกลับพื้นมาหาเอกอยูติเด่พื้นมนุษย์ของเรานี่อีกส่วนชีวิตจิตใจของเาที่ผ่านมาอันที่ทำอันนี้เขาก็มาจินของเก่าเขาเขาก็มีเมือเดิมนั่นแหละแต่ว่าพวกเรานี่ก็ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ทำเอาอด่างที่เขา เราค่อยทำเหมือนกันตั้งแต่ว่าแม่ไม่เอาเกิดมาเนี่ยก็อยู่หาอยู่หาจินขยันขันแข็งดีแต่ว่าส่วนคขาชั่วเราจะไม่ทำไม่ยืนมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามันหมดแล้วก็แล้วไปหาใหม่อย่าไปร้องอย่าไปให้อย่าไปคิดจินไม่ได้นอนไม่หลับอย่าไปทำให้ตัวเองชั่ว อย่าให้เจ้าทำให้เจ้าเจ้าตัวเองทุกข์ทำจิตใจให้มันสบายสบายอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นเองอะไรอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันมีอยู่นี้เองเนี่ยมีพระพุทธเจ้ามาสอนมันก็เป็นอย่างนี้มังนพระพุทธเจ้ามาตัดแต่งมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาตัดแต่งมันก็เป็นอยู่างนี้มันเป็นเองถ้ารู้จักปลดจากปล่อยจากละจากวางแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีแต่ใสสะอาดมันอยู่กับใจของเรา มันเปิดไหนว่าเราก็ไม่เป็นกับเขาเป็นพเพเพียงรู้เฉยแล้วก็เลี่ยไปมันเป็นจริงนั่นเองมันเป็นจริงน่นเองท่ า, ปานปู่ธาตุเหมือนปู่พุทธธาตุท่านสอนเรามาตั้งแต่แต่แต่เกิดขึ้นมาพราอ่านหนังสือเป็นก็ไปอ่านหนังสือพุทธธาตุเนี่ยท่านก็บอกอย่งนัน้แต่ว่าคน น, นไม่รู้จักมีแต่เอาตะพึ๊ดตพื้นหรว่าเอาชัวว่วก็เอา ของที่เราปรารถนาไม่อยากได้ก็อย่างนั้นก็ยังไม่ลืมเลยยืดมัน่นถือมั่นไว้แล้วความอิจฉาความไม่บาดความลกความชังมันก็เป็นอยู่างนั้นอยากได้นั่นอยากได้นี้อยกเป็นนั้นอยากเป็นนี้มันมันไม่ปล่อยไม่ละไม่ปลดวางเป็นมันก็เป็นเป็นทับมลูลสะดวกของเราที่จะไปคล้องมันอยู่น่นแหลเพราะมันทิ้งไม่ได้ ะให้พยายามมานี่บุญมากที่สุดแล้วนี่เรามาบุญบุญจะแท้เนี่ยนี่บุญในเห็นบุญนั่นแหะบาสนั้นก็คืออะไรบาสมั่นก็คือความชั่วของเราเนี่ยแหละเราทําดีก็ได้ดีทำชัว่วก็ได้ชัว่วไม่มีใครจะมาทําให้เราให้เราพยายามให้รู้จักปล่อยจากละจากวางถ้าเกิดมาเนี่ย น, นะมาทําอย่างเดียวมันก็เป็นอย่างเดียวนะกินอย่างเดียวเกิดมาอย่างเดียวอยู่งี้แหละ ยินแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ยินอืมกินแล้วก็ตายตายแล้วก็มันก็อยุ่งเนี่ยล่ะเกิดขึ้นแล้วมีเกิดมีแกไม่เจ็บมีตายมันเปลี่ยนเน่ะหมุนเวียนกันอยู่นี่แหละเป็นถัดบ้างเป็นคนบ้างเราทําอะไรไว้มันเป็นตมบัติของเราเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกันลอกด่างจองผานกันเอชาตินี้เราฆ่าเขาชาติต่อไปเขาฆ่าเราชาตินี้เรากินเขาชาติต่อไปเขากินเรา มันจะเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจากเกิดมาเนี่ยเราไม่ไม่คิดเห็นเลยอันเนี้ยมีแต่เพลิดเพลินไปกับการกระทําของเราชอบอะไรก็นึกว่าอะไรดีก็เพลิดเพลินเปกับมันทุกก็มีสุขก็มีทั้งดีทั้งชั่วละอย่างโยธรรมอยู่ตอนนี้นะแหละเราไม่รู้จักเัมนนี้เรารูกจกเลก็ให้ลูกจะมีฮลี่ความไร้ใจใจ ถ้าอะไรมันผิดผินนี่ผิดแฟมแล้วก็ให้เราพยายามมาดูมาปฏิปฏิว่ากับก็มากับดูกายกับใจของเราเนี่ยให้มันมาอยู่ด้วยกันถ้ามันออกจากกันไปแล้วมันจะเป็นไปหาอาดีตไปหาอนาคตเพราะนั้นสิ่งที่เราจะมาทําเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้ว น, นั่นแหะอย่าไปเอามาพูดอย่ามาคิดอย่ามาทําเพราะว่ามันหมดแล้วทําชั่วไปแล้ว เราจะไปคิดมันนั่นแนหะมันเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าไม่ได้อยู่ที่ไหนกรรมเก่านะั่นแหะเราเกิดมาเนี่ยเรามาสร้างขึ้นเมื่อไหร่แหลงที่เป็นกรรมเก่าขึ้นเนี่ยมั น, เ ป, นเป็นอดีตไปแล้วเราไม่มาคิดเมื่ อ, อไหร่มันก็ใหม่ขึ้นมานั่นแนหะกรรมตนนั้นนะ่ะมันตามมาเรื่อยๆมึงทํำกูนะมึงฆ่ากูนะเนี่เครื่อเทียนนะ่ะคิดแล้วนะ่ะนะ ที่เห็นนอกจาเสีย อ, อกเสียใจแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับเคยรักกับใครเคยชังกับใครตั้งแต่เป็นเด็กตน้อย น, น่นละมันก็ยังอุตสาหโมโหเกิดเครียดยังไม่หายก็มีนั่นแหละกรรมเกา่าสิ่งอดีตที่เป็นกรรมเก่านะั่นน่ะเราพยายามทําความดีไปเรื่อยๆไปอันกรรมเก่านะนะั่นน่ะไม่ต้องเอาเลยอนาคตยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องไปคิดตัดออกไปเลยไม่มีประโยชน์ ใหอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันขณะขณะที่กายเคลื่อนไหวที่เนี่ยเอาให้มันทํางานด้วยกันกายกับใจของเราเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยมันทำอยู่นี่บุญมันอยู่ที่นี่ปัญญาก็เกิดอยู่ที่นี่พุทธะเป็ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็เท่านี้แหละเนียกายทำมันจะเดินไปทางไหนมาไหนมันจะยืนเดินนั่งนอนให้เราดูมัน ให้มันทํางานด้วยกันแล้วจะพัายามตั้งอกตั้งใจให้มีสติให้กายกับใจเนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ให้มันหนีจากกันมันทํางานก็พมันทําอยู่ตลอดเวลาทํำเล่นๆไปมันจะเพลิดเพลินไป น, นั่นแหละสมาธิความตั้งใจมัน่นก็คือความตั้งใจเนะี่ยมันเคลื่อนไปด้วยวิธีใดก็ให้รู้ไปด้วยให้มันอยู่ด้วยกัน มันดีเราก็รู้จักมันช่วเราก็รู้จักดูแล้วก็แล้วไปทิ้งไปไม่เอามันทําการทํางานเนี่ยมันไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ไปให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะขณะที่กายไม่กันไว้หาคานหาหางานให้ใจทำไอ้มันอยู่เหมือนเรามีครอบครัวเนี่ยแหละมีผัวมีเมียอย่างเนี้ย ผัวก็ไปทางหนึ่งเมียก็ไปทางหนึ่งไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองผัวก็ไปตามออกลอกลดี้ดลอกลอยไปหาอยู่หากินเล่ากินยาไปหาเล่นการพนันผู้เมียก็ไปหา ค, ค, คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้มีดีใจบ้างมีเสียใจบ้างไปเรื่อยๆไปเนี่ยจนกายปนคมปนกินไปที่ไหนเนี่ย คนเราเนี่ยไม่พูดเรื่องอะไรเละพูดแต่เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ทั้งดีทั้งชั่วมันจะเป็นอยู่งนั้นอ่ะมันไม่ดีอ่ะเราคิดแต่กายวาจาใจเนี่ยให้รักษาให้ดีถ้าใครเป็นคนดีแล้วต้องทักษาเนี่ยกายก็ไม่ ไปทำชั่วใจก็ไม่ไปทำชั่วจะพูดจะจาแล้วก็ให้มันไปเลาะอย่าไปเอาความที่ไม่ดีไปพูดเราสร้างอันนี้เนะี่ยมันสร้างความทุกข์ให้เราอ่ะผีนั่นคืออะไรผีนั่นก็คือความชั่วนั่นแหละมันเกิดจากตรงนีอ้อย่าไปด่าอย่าไปว่ากันเกิดเป็นผัวเป็นเมียอยู่ในบ้านน่ะ เป็นลูกเป็นเต้าของเราเนะี่ยอย่าไปแช้งชักหักกระดูกือเขาเป็นเด็กก็ทําความดีให้เขาเห็นแล้วก็สอนเขาสอนในทางที่ดีนี่มันสอนมาได้ที่นี่ก็ทิ่หลังสอนนะสอนเรื่องความไม่ดีให้มันฟังด้วยถ้าเราทําไปผวามไม่ดีนะั่นมันจะมีโทษแบบนั้นแบบนี้ตายไปนก็จะเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ทําพูดไหน ข้างไร้ผลก็ทำให้เขาเห็นด้วยจมคืนก็เติมใจรับจะนอนพานไหว้พระไหว้อะไรไเราเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยไม่ได้เถียงไม่ได้ น, นีพูดจากันดีอย่างนี้ลูกเต้าแล้วก็จะได้เอาตัวอย่างมันก็จะเป็นคนดีทั้งแซงหักซักหักกระดูก ทำความไม่ดีอ่ะทำทำความขีดผายให้ตัวเองจะด่าจะว่าอะไรมันก็เกิดจากคําพูดของเรานี่แหละจิตใจของเมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยไปไม่ได้กลับมาดูตัวเองเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีก็เดือนในปัจจุบันดีมันก็ดีเกิดมาชาตินี้ปัจจุบันมันดีมันก็ดีดไปตลอดถ้าปัจจุบันไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ดีเลย มันเกิดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราให้กลัวตัวเองอย่าไปกลัวคนอื่นมันทำผิดมันทำถูกมันเป็นโทษเป็นภัยเราทำเพื่อเองให้เราพยายามให้ดูตัวเองนะให้มันเป็นเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามขยันขันแข็งอย่าไปชี้เกียจที่คานให้ดูเ่าพวกเราเนะ่ะ คนในคอลัมน์เขารวยเนี่ยเขาทําทําไมเขายังค่อยด้วยเป็นชาวนาเป็นชาวไร่ไร่สวนก็เหมือนกันคนเขาจนเนี่ยเขาทำไงเขาก็ทําเหมือนกันนั่นนะว่าเขามีสติปัญญาเขาจะกินเขาจะอยู่เขาจะทําอะไรเขาก็มีปัญญาส่วนคนไม่มีปัญญาเนี่ยก็เอาแต่รัดเอาเปรียบเขาเขาก็ขี้เกียจที่จะทําการทำงานทนะําหน้าที่ของตัวเองนะไม่อยากทํามีแต่กินแต่เล่นไปตาม จะทากรรมไปอะไรก็ทําเล็กๆได้น้อยหาแต่ก็กินกับเพื่อนเขาได้ไปก็มีมันเป็นอะไรเป็นเพราะความเนี่ยเนี่ยภาทุกย้อนในเพราะความขี้เกียจไม่อยากทําการทํางานเนี่ยให้ดูเอาคนไหนเคยขี้เกียจหรือเราเคยแต่ก่อนเราเคยขี้เกียจมันเราทุกข์ขนาดไหนพอเราทําดีแล้วมันเป็นยังไงอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับคนอื่นก็เหมือนกัน ไปไหนเนี่ยค่าเราดีไปแล้วไปไหนก็มีแต่คนชอบเราอย า, อยากเป็นเพื่อนอยากไปไปไหนก็อยากชวนไปหายอยู่หาจินที่ทางที่ถูกที่ต้องเขาก็ไปไหนเขาก็อยากให้เราไปด้วยถ้าเราไม่ดีเนี่ยเขาไม่อยากไปพบพลาตามมาพบมารอเลยหายหมู่ก็ยากหายอยู่หาจินก็ยากเอาไปมากก็ มีบ้านหลังใหญ่ๆค่อยกีดหายไปเรื่อยๆไปต้มเตีไปของพ่อแม่มุนระดกอะไรปวดแจกให้ก็ขายไปตะพื้นตะพื้นไปพอะอะไรพกความจีเกียดจีข้นแล้วก็หาปห า, หาเล่นการพ น, นันเล่นอะไรไปหาอยู่หากินทางที่ผิดที่ชอบไม่ชอบไปก็มันก็เป็นอยู่งั้นเราสร้างขึ้นเองหมดได้แหละเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคนไหนเข้าดีเนี่ยเขาจะ มีลูกมีอะไรเกิดขึ้นมาแน่นอนเนี่ยเขาค่อยทําหาจินไปเขาโกรธจะอยากที่แรกอะ่ะเอาไปเขาค่อยดีขึ้นดีขึ้นบางคนอะรวยๆคนรู้คนรวยคนร ว, วยเนี่ยเปิดขึ้นมาก็เด่นโบกเด่นไพาหาอยู่หาจินไปอันท่อแม่หาให้กว่าแม่ก็ค่อยหมดไปเรื่อยๆไปในคนจนเนี่ยเขาค่อยสร้างตัวขึ้นเดี่ยงเขาก็ค่อยได้ไปเขาก็ค่อยมีเขาก็สบายใจ เน่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าความเราของเราเนี่ยมันไม่ดูดตัวตเองน่ะมันเพลิดเพลินไปตั้งแต่ความสนุกสนานไปเรื่อยๆไปแบบนั้นน่ะเราเกิดมาแล้วก็คือแค่ต้นต่อไปอีกก็มัดจิ้นหัวเก่อนแหละเราทำอะไรเราอะไรแล้วก็เป็นอยู่างนั้นไปอันเราเนี่ยมันเมีตเก้าหนะ้าขึ้นไปเรื่อยๆไปนะทําแบบเราเนี่ย จนแบบถึงนิพพานไม่ได้ถึงนิพพานเนี่ยไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมอันที่เรามาทําอยู่เนี่ยเพราะว่าบุญเราสร้างขึ้นมาแล้วจิตใจของเราเนี่ยเราปล่อยเราละเราเลิกตแต่เราเป็นคนเนี่ยอันนั้นเนี่ยที่จะพาเราไปถูกกติได้เรื่อยไปไม่มีทางถอยนั่นแหละตั้งอกตั้งใจฟังพูดมาเนี้ก็สมควรเจริญลาแล้วก็ยุติเพียงเท่านี้แเรา ข, ขอให้ คนเจ้าญาติโยมทุกๆกท่านทุกคนจวงตั้งอกตั้งใจทำชีวิตของตัวให้สดชื่นให้สว่างให้สวา่างไหวให้สะอาดให้เท่าทันความชิดจะไปตามความชิดให้มาดูตัวเองดูกายดูใจให้มีสติทำอะไรก็ให้ได้เท่าทันเหตุการทันเวลา ขอให้ใจสว่างสะาดสงบสดใจว่องไวในเวรกายในเวลากายอนี้ทุกท่านทุกคนเธอ